ธรรมมีอุปการะมากหมายถึงธรรมที่เกื้อกูลสนับสนุนการทำกิจทุกอย่างในชีวิตรวมไปถึงการเจริญกุศลและธรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยดีไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้รับผลสำเร็จตามประสงค์มีสองอย่างคือ 1. สติความระลึกได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาท2 สัมปชัญญะความรู้ตัวหมายถึงรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำพูดคิดนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดี